โขบประจําเนี่ยสองแถวที่มาทุกวันหนึ่งน <c oughs> <c oughs> ะใครจะส่งกันบ้านต้องจิตเริ่มผ่อนคลายมาได้บ้างแล้วครับแล้วก็รู้สึกเบาขึ้นว่องไวขึ้นนิดหนึ่งแล้วก็จัทุกตอนที่จิตเริ่มคิดก็จะเริ่มหนักๆเป็นเกาะเป็นก้อนขึ้นมาครับมันเหมือนกับไปจับจิตล็อกๆไว้เป็น กลุมๆขึ้นมาครับคือถ้าต้องเห็นตัวต้นเหตุมันนะต้นเหตุมันก็โลภะแล้วเบื้องหลังโลภะก็คือเรื่องมันเป็นเรามันอยากให้เราดีให้เราหลุดพ้นเนี่ยถ้าเรารู้เข้าไปตรงนี้นะมันก็ยังไม่ปรุงเพราะงั้นเราจะไปเห็นแค่ปลายทางไปเห็นปลายทางแตที่มันปรุงขึ้นมาแล้วเห็นเป็นก้อน ถ้ายัางทําต้นทางหรือปลายทางก็เกิดเรื่อยเป็นนั่งแก้ไม่ได้อย่าไปพยายามแก้มันก่อนหลวงพ่อพยายามทํากรรมฐานนะพอเป็นก้อนแนละ้วหาทางทําลายเสียเวลาอยู่ทั้งสามเดือนเนะี่ยแท้ถ้ารู้ต้นทางของมันนะมันก็หายไปเลยมันอยากปฏิบัติที่มันอยากปฏิบัติเพราะว่ามันยึดถือจิตยึดถือว่าจิตเป็นตัวเรา ก่อนนี้เวลาทำกรรมฐานเนี่ยบางครั้งตะลุมบอลเลยนะก็โดดเข้าไปไล่ซัดกับมันนวนเนียอยู่ข้างในนะสู้ไปนานหลายๆวันระ ล, ลึกขึ้นได้วอ้เนี่ยต้นทางของมันคือเราหวงแหนจิตนี่เองพอรู้ตรงนี้จิตก็คลายออกไปหมดตอนหลังถึงขนาดต้องเขียนกระดาษแปะไว้นะหลายๆที่ที่ทโต๊ะทำงานที่จอคอมพิวเตอร์ที่อะไรแปะแปะแปะไว้ ว่าอย่ายึดจิตแล้วสั่งคนที่บ้านไว้ด้วยถ้าเห็นเราภาวนาหน้ามืดเมื่อไหร่นะให้ช่วยเตือนบอกว่าอย่ายึดจิต <c oughs> เวลาโดดเข้าไปตะลุมบอล น, นะมันจะเอาเป็นเอาตายกาว่าต้องเอาให้ได้ต้องเอาให้ถึงมรรคผลนิพพานเร็วเราได้ยินคำว่าอย่ายึดจิตนะคลายการปรุงแต่งไป พอ่ออาจารย์สุรวัตรก็แปะไว้เหมือนกันนะแปลไว้อีกแบบแปลว่าให้รู้ทุกอย่างด้วยจิตที่เป็นกลางแบบทํานองเนี้ยรู้ด้วยจิตที่เป็นกลางหลวงพ่อแปลว่าอย่ายึดจิตที่มันไม่เป็นกลางก็เพราะมันยึดจิตนั่นแหละ ไ, ไม่หายนะ mm. คิดแล้วก็ตรึงไว้ด้วย <laughs> เอกลักษณ์เป็นไงไอตั้มมีอะไรก็แบบมีอะไรหลวงพ่อหลวงพี่ให้เดินเริ่มต้นดับหนึ่งใหม่ก็เลยพยายามไปเดินจงกรมแต่รู้ว่าจงกรมเนี่ยเป็นไม้ไม้ที่ทําให้ผมตายตลอดเพราะผมจะเพง่งเอาปัจจุบันอตอนหลังก็เลยตามรู้ได้ว่าอ่อนจริงแค่ตามรู้ก็กพอแล้วนี่ไงทําอะไรก็ได้กระดูกกระดิกไปแล้วก็ตามรู้ไปตามรู้กายตามรู้เวทนาตามรู้จิตนะคือสติปัฏฐานมันมี2 ส, ส่วน ส่วนที่ทําเพื่อให้เกิดสติจะทําให้เกิดปัญญาส่วนที่ทําให้เกิดสตินี่ให้ตามรู้กายตามรู้เวทนาตามรู้จิตไปส่วนที่ทําให้เกิดปัญญานี่นะรู้กายลงเป็นปัจจุบันแล้วก็ตามรู้จิตเนี่ยจะต่างกันนะงั้นในขั้นที่เราจะทํากระตุ้นให้สติเกิดเนี่ยก็ตามรู้ทั้งกายทั้งจิตนั่นแหละอย่าไปดูลงปัจจุบันที่กายาดูลงปัจจุบันที่กายจะไปเพ่งกายอาัตโนมัติเลย ท่านถึงใช้ในสติปัฏฐานท่านถึงใช้คําว่ากายานุปั ส, สนาปั ส, สนาคือการเห็นตามเห็นเนืองๆซึ่งกายตามเห็นนะเป็นอนุไปนจตามตามเห็นเวทนาตามเห็นจิตนะนี่ตามเห็นไปเรื่อยๆมันเกิดสติแล้วจิตมันจําสภาวะได้กําลังเผลอๆอยู่เนะี้ยเกิดขยับตัววับนะสติก็เกิดละ หรือกำลังเผลอๆอยู่เกิดความรู้สึกทุกข์อะไรแว บ, บขึ้นมานะสติก็เกิดเมื่อกําลังเผลออยู่จิตเป็นกุศลอกุศลขึ้นมาสติก็เกิดเนี่ยคนไหนเคยตามรู้กายเนืองๆพอร่างกายเคลื่อนไหวพวกสติเกิดคนไหนตามรู้จิตเนืองๆพอจิตเคลื่อนไหวสติก็เกิดพอสติเกิดแล้วคราวนี้มารู้กายลงเป็นปัจจุบันแนละ้วรู้สึกเลยตัวที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนนะไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็น รูปธรรมอันหนึ่งที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลามีธาตุไหลเข้าธาตุไหลออกตลอดแล้วธาตุที่ประกอบขึ้นเป็นกายนี้ก็เปลี่ยนแปลงตลอดถ้า ร, รู้ลงปัจจุบันนะถ้าดูจิตก็ตามดูมันไปเรื่อยๆงั้นดูกายมีสองสเต็ปถ้าดูจิตนะดูตั้งแต่ต้นจ น, จนจบนะดูอย่างเดียวอย่างเดียวกันแต่ตอนดูก็ให้สติเกิดเอง ก่อนจะดูให้สติเกิดเองอย่าจงใจให้เกิดให้จงใจให้เกิดแล้วกลายเป็นเพ่งจ้องระหว่างรู้ก็อย่าถลำลงไปรู้ให้สักว่ารู้สักว่าเห็นดูแบบคนวงนอกไม่มีส่วนได้เสียรู้กายเหมือนเราดูกายคนอื่นดูจิตใจเหมือนเราดูจิตใจคนอื่นดูแบบไม่มีส่วนได้เสียอย่จิตมันโกรธขึ้นมานะก็ดูเหมือนเห็นคนอื่นโกรธอย่างความโกรธไหลมาไหลไปดูยังไม่มีส่วนได้เสีย ดูอยู่ห่างๆมันจะเหมือนเราอยู่ห่างๆไม่เข้าไปคลุกกับ ม, มันเหมือนเราอยู่บนยอดตึกนะมองลงมาเห็นรถวิ่งเต็มถนนนะรถเจอชนกันข้างล่างนะก็ไม่ได้มากระเทือนถึงเราที่เป็นแค่คนดูจิตใจเป็นกุศลนกะุศลจิตใจเป็นสุขเป็นทุกข์อะไรนี่ไม่กระเทือนเข้ามาถึงคนดูพอรู้แล้วก็อย่าไปแทรกแสงมันก่อนจะรู้อย่าจงใจรู้ ระหว่างรู้นะให้สักว่ารู้อย่าถลํมลงไปรู้รู้แล้วอย่าแทรกแสงเกือบทั้งหมดก็แทรกแสงเจอกุศลก็อยากให้เกิดบ่อยๆเกิดแล้วก็อยากให้อยู่นานๆเจอสุขก็อยากให้เกิดบ่อยๆอยากให้อยู่นานๆเจออกุศลเจอทุกข์ก็อยากให้หายไปเร็วๆนี้ไม่อยากให้เกิดขึ้นน่ตรงเข้าไปแทรกแสงตรงที่เข้าไปแทรกแสงมีปัญหามากลาพัง กายนี้ใจนี้เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปสุขบ้างทุกบ้างดีบ้างร้ายบ้างมันเรื่องของกายเรื่องของใจเรื่องของธาตุเรื่องของขันไม่เกี่ยวกับเราถ้าเมื่อไรเราหลงยินดียินร้ายอย่างความโกรธเกิดอยากให้หายอยากให้หายนะใจจะดิ้นใจจะดิ้นรนขึ้นมาทางานใจดิ้นรนทำงานความทุกข์เกิดซ้าซ้อนขึ้นมาอีกอันนี้เป็นความทุกข์ที่เกิดจากตัณหา ความทุกขที่เกิดจากตัณหาเนี่ยยังไม่ใช่ทุกขสัตว์นะคนละอันทุกข์สัตวเราคิดว่าหลวงพ่อเองไม่แค่เราไหนหลวงพ่อคิดว่าอาริยสัตว์เนี่ยนะทุกทุกก็ทุ ก, ทกนั่นแหละนะพอสมูทัยเหตุให้เกิดทุกข์เหตุให้เกิดทุกขต์ตัวนั้นไม่ใช่เหตุให้เกิดทุกขสัตว์องค์ตัวแต่โดยในญาทั้งหมดก็คือทุกขสัตว์นั่นแหละเพราะตัณหาก็ทําให้สร้างภพไปยึดรูปยึดนาม ทุกอีกตัวหนึ่งคือทุกที่ซ้ำซ้อนขึ้นในใจตัวนี้ทันทีที่เกิดตัณหาก็เกิดความทุกข์ขึ้นมางั้นจริงๆแล้วทุกทั้งหมดก็อยู่ในทุกขสัตว์ทุกขสัต์ได้ไม่แต่ทุกขลักษณะงั้ต้องไม่ไปปนกันนะระหว่างทุกขลักษณะกับทุกขสัตว์บางคนคิดว่าเห็นทุกขลักษณะคือเห็นทุกขสัตว์ทังละเรื่องกันก็ไม่ใช่ทุกขเวทนา ทุกขสัตว์ไม่ใช่ทุกขเวทนาทุกขเวทนามันเนื่องด้วยกายด้วยใจนี่ตัวกายตัวใจล้วเป็นตัวทุกนเนื่องถึงจะเรียกทุกขสัตว์ธรรมะประณีตนะ ล, ลึกซึ้งต้องค่อยๆฟังค่อยๆเรียนไปความจริงธรรมะทั้งหลายที่หลวงพ่อไปเข้าใจมาเนียมาจากคำของหลวงปู่ดูลยํคำเดียวเท่านั้นคือให้ดูจิตตัวเอง ไปเรียนกรรมฐานตอนเด็กๆไปเรียนจากท่านพ่อรีได้แต่สมถะนะไม่ใช่ท่านไม่เป็นวิปัา ส, สนานะเราเด็กเกินไปไปหาท่านได้แต่สมถะกลับมาแล้วอยู่2ปีท่านก็มรณภาพไปไม่มีครูบาอาจารย์ขึ้นมิปัา ส, สนาไม่เป็นนะยีปีเนะี่ยเสียเวลาไป22ปีไปเจอหลวงปู่ดูลนะท่านสอนบอกว่าการปฏิบัตินะไม่ยากมันยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติ อ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองสอนเท่านี้เองอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองโอ้คำของท่านแต่ละคำนะมันแฝงนัยยะไว้เยอะเลยท่านบอกว่าการปฏิบัติไม่ยากมันยากเฉพาะผู้ที่ไม่ปฏิบัติผู้ไม่ปฏิบัติคือผู้อะไรผู้ที่เผลอไปกับผู้ที่เพ่งเอาเพ่งเอาปฏิบัติก็คือการรู้เฉพาะหน้านะั่นเอง ปฏิวะเฉพาะบัตรแปลว่าเข้าไปถึงปฏิบัติก็คือรู้อยู่เฉพาะหน้าเข้าไปถึงอารมณ์เฉพาะหน้าที่ปรากฏมีสติรู้ทันถ้าไปเผลอไปเพ่งไว้ก็ไม่เรียกว่าปฏิบัติอ่านหนังสือมามากไปแล้วนะอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองท่านให้อ่านจิตท่านไม่ได้ให้เป็นประพันธ์เป็นนักประพันนะให้เป็นแค่นักอ่านไม่ต้องไปปรุงแต่งจิต เวลาเราอ่านหนังสือสักเล่มหนึ่งหนังสือมันเป็นยังไงเราก็อ่านไปตามนั้นแหละอย่างสมมติเรอ่านนิยายตรงนี้เป็นบทโศกนะตรงนี้เป็นบทรักตรงนี้บทโกรธตรงนี้ลึกลับอะไรเงี้ยเรามีหน้าที่อ่านไปตามที่มันเป็นใจของเราเหมือนหนังสือเล่มหนึ่งเราตามอ่านไปตามที่เขาเป็นท่านไม่ได้สอนให้เราเป็นนักประพันธ์ว่าให้ไปแต่งจิตให้ดีอย่างโน้นดีอย่างนี้แล้วก็ไม่ได้สอนให้เป็นนักวิจารณ์ด้วยไม่ใช่นักวิจารณ์หนังสือ ต้อจะเป็นนักวิจารหนังสือรู้สึกไหมยังไม่ใช่นักอ่านถ้นานักอ่านเราง่ายนะถ้าเป็นนักวิจารเรายุ่งเนี่ยท่านสอนามาแค่นี้เองนะให้อ่านใจตัวเองข้าก็ดูมาเรื่อยๆนะความรู้ความเข้าใจธรรมะทั้งหลายก็เกิดขึ้นมาขึ้นมามีอยู่ครั้งหนึ่งไปหาท่านครั้งที่สองไป ห, หาท่านโอ้ท่านเทศให้ฟังพิสดารมากเลยนะตั้งแต่จั ก, กรวาลมันเกิดมาได้ยังไง จนมันแตกทําลายอะไรเงี้ยนะฟังแล้วโอ้ประหลาดสอนอะไรก็ไม่รู้เยอะมากเลยฟังก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องนะท่านก็พูดเร็วพูดเสียงดังด้วยแล้วเนื้อหาที่ท่านสอนนันก็เยอะแยะไปหมดเลยพอท่านเทศจบชั่วโมงหนึ่งนะถอนใจเฮือกเลยหลวงปู่ที่หลวงปู่สอนมาทั้งหมดเนี่ยผมขอดูจิตอย่างเดียวพอไหมนะ <laughs> หลวงปู่บอกพอ เราธรรมะแป0หมพันพระธรรมขันธ์นี้ออกไปจากจิตนี่เองให้จิตนี่แหละแสดงธรรมฝ่ายกุศลจิตแสดงธรรมฝ่ายอกุศลจิตแสดงธรรมฝ่ายที่เป็นกลางๆไม่ใช่บุญใช่บาปงั้นถ้ารู้อยู่ที่จิตอันเดียวก็จะเห็นธรรมทั้งปวงได้ท่านสอนเยอะเลถามเลยนะถามซื่อๆด้วยความท้อแท้ใจนะก็ต้องเรียนเยอะขนาดนั้นหรือไม่ใช่ให้อ่านจิตตัวเองนั่นเอง แล้วธรรมะทั้งหลายเนี่ยมันจะเป็นความรู้ความเข้าใจของเราที่แจ่มชัดขึ้นเป็นลําดับลําดับไปอย่างที่แรกเราก็เห็นจิตใจมันเคลื่อนไหวได้นะมันทํางานได้บางทีเห็นที่แรกเราก็ไม่เข้าใจนี่ยังไปเกาะอะไรเป็นก้อนๆเต็มหน้าอกเนี่ยแน่นๆ น, น, นะไม่รู้มันมาได้ยังไงไม่รู้เหตุรู้ผลมันนะครูบาอาจารย์แต่ก่อนก็ไม่สอนหรอกว่าอะไรเป็นอะไรให้ไปลองผิดลองถูกเอาเอง หลภาพ่อโอ้มันเป็นก้อนขึ้นมานะสู้กับมันอยู่สามเดือนนะบางวันมันเป็นก้อนขึ้นมานะนั่งดูไปเออก็หายไปอีกวันดูแล้วไม่หายเพ่งมันเพ่งมันระเบิดเปรี้ยงเลยหายไปแล้วโอ้วันนี้ภาวนาดีนะมันหายไปแล้วเอาตัวนี้มาเป็นตัววัดว่าวันนี้ดีหรือไม่ดีวันนี้มีก้อนๆ อ, อึดอัดขึ้นมาโอ้วันนี้ไม่ดีวันนี้ทาลายมันลงไปได้ดีอีกวันหนึ่งไปเพ่งนะเพ่งไม่ยอมระเบิด เราทำจิตเหมือนเป็นค้อนทุบมันเปรี้ยงเปรี้ยงเปรียปร้ยงแตกไปอีกวันมาทุบมันอีกนะมันไม่แตกแล้วมันเด้งดึงดึนะเด้งดึงดึ ง, ด, ง, ด, งดึงนะยิ่งทุบยิ่งเด้งนะทำจิตเหมือนเข็มแหลมแหลมเล ย, นะ ค, ยค่อยจิ้มมันนะจิ้มต้องให้ถูกมุมมันนะจิ้มผิดมุมนะมันจะฉลบๆรึปะหนีนะฉาบไปได้ถ้าประครองให้โดนมุมมันนะแตกนั่งโป้งเลยเหมือนลูกโป่ง โอ้วันนี้ภาวนาดีอีกวันมาอีกแล้วจิ้มยังไงก็ไม่แตกนะอันนี้เฉือนมันเป็นชิดเล็กๆค่อยๆเฉือนมันไปเฉือนเฉือนโอ้สู้กับมันอยู่อย่างเงี้ยนะโง่แท้ๆเลยพราะครูบาอาจารย์แต่ก่อนไม่สอนอะไรเยอะสอนมาคําเดียวให้ดูจิตก็มาตะลุมบอลอยู่อย่างนี้นะดูจกนกระทั่งเรารู้สึกโอ้มันโผล่ขึ้นมานะเราดู ด, ดูมันเนี้ยหาทางทําลายมันได้ทุกทีแล้วกลับมามันอยู่ไม่นาน สามเดือนแล้วไปหาหลวงปู่ดูลครั้งที่สองครั้งแรกไปวันมาคะครั้งที่สองไปวันวิสาข์จะบอกท่านบอกว่าผมดูจิตได้ละท่านบอกไอ้นั่นมันอาการของจิตมันไม่ใช่จิตให้กลับไปดูใหม่นี่ประโยคที่สองที่สอนนะประโยคที่สองที่สอนก็คือไปดูเอาใหม่ไม่บอกนะโอ้คราวนี้ท่านบอกให้ดูนะท่านไม่ได้ให้เราทําอ่ะ บอกให้ดูเนี่ยมันเป็นยังไงดูมันไปอย่างนั้นนี่ต้องได้หลักมาตรงนี้เองแต่ครั้งแรกที่ไปเรียนจางท่านมันก็ทำให้เราเห็นสภาวะนะเราก็เห็นสภาวะยั ง, งย่านี้แต่เราเห็นสภาวะแล้วเราไม่เข้าใจไม่รู้ว่ามันมาได้ยังไงไม่รู้มันไปยังไงไม่รู้ว่าเราควรจัดการกับมันยังไงตัวสำคัญเลยไม่รู้ว่าควรจัดการยังไงไปหาทางแก้แก้ทุกวันแก้ทุกวันนะ ใช่ฮะท่านครั้งที่สองถึงได้หลักมาท่านบอกให้ไปดูใหม่ท่านไม่ได้ให้ทําอะไรนะท่านให้ไปดูมาตามรู้ตามดูไปเรื่อยเลยเดี๋ยวมันก็สุกเดี๋ยวมันก็ทุกข์เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ร้ายดูมบนลูกเดียวเลยนะดูไปเรื่อยๆดูอยู่สี่เดือนสี่เดือนพอดีเลยก็เข้าใจมันโอ้ใจก็วางสิ่งที่ใจมันไปรู้ก็เข้ามาเจอจิตเจอใจของเราจริงๆ นี่จริงๆแล้วการปฏิบัติไม่มีอะไรยากหรอกให้รู้จริงๆให้รู้ให้เป็นอันแรกเลยสภาวะเกิดขึ้นมาต้องรู้มันนะต้องรู้จักรู้สภาวะไม่ใช่ใจลอยไปหรือไปเพ่งเงาเพ่งเงาหรือเข้าไปดัดแปลงแก้ไขมันก่อนจะรู้อย่าอยากรู้นะให้สภาวะเกิดแล้วก็ค่อยรู้เอาระหว่างที่รู้อย่าถลําลงไปดูแบบไม่เกี่ยวไม่มีส่วนได้เสียอะไรดูเล่น รู้แล้วรู้สภาวะแล้วไม่แทรกแซงไม่ดัดแปลงไม่แก้ไขดูตามที่เขาเป็นจริงๆนะโอ้เสียเวลาทั้งสมเดือนเนี่ยเสียเวลาไป3มเดือนเปล่าๆเลยพอหัดดูไปดูไปเอไม่ยากอะไรนะไม่ยากอะไรต่อมาก็ไปดูดูไปเนี่ยรวมเจเดือนไปหาท่านท่านบอกว่าเออช่วยตัวเองได้ละ ตราไปนี้ไม่ต้องมาหาท่านก็ได้เราก็ดื้่นะท่านไม่ให้มาหาเราก็ไปอีกนะ <c oughs> ไปดูมีอยู่วันหนึ่งนะอีก9ก้าเดือนอวันนั่งรถทัวร์มาจากเชียงใหม่นะก่อนก่อนจะนั้นก่อนจะถึงวันนั้นอนะเวลาดูจิต ด, ดูใจถ้ามันหลับลูกเดียวเลยจิตมันรวมรวมรวมรว ม, รวมตลอดเวลาเลยนะ ขนาดนั่งขัดสมาธิเทชก็รวมนะรวมทําไงก็หลับอยู่ข้างหนซึมเงียบอยู่ยงั้นทั้งวานทั้งคืนเลยโอ้เป็นเดือนเลยนะทําไมเป็นอย่างนี้ไม่เคยเป็นตลอดเวลาที่ผ่านมาเจริญสตินี่นะไม่เคยเคลิมนะไม่ค่อเคลิมเลยทําไมจิตเป็นอย่างนั้นไปได้ดีช่วงวันอาสันหะอีกปีหนึ่งอันหะอีกปงนึงไปกราบหลวงปู่สิม ไปถามหลวงปู่ผมมันเป็นไรทำภาวนาขนาดนั่งขัดเพชรนะอย่างหลวงปู่สิบไม่ให้นั่งขัดสมาธิเพชรนั่งแล้วไปขาแทบหักเลยนะถ้าไม่เคยนั่งอะใอ้นั่งได้ชั่วโมงหนึ่งก็โอ้เก่งหลวงปู่บอก ผ, ผู้รู้ผู้รู้ผู้รู้จะสงสัยอะไรอย่าสงสัยเลยดูไปเถอะดูไปเดี๋ยวจะได้ของดีอย่างนี้ ไม่ให้สงสัยอีกนะถามก็ไม่ตอบนะบอกให้ดูเอาเองนะีน่ครูบาอาจารย์แต่ก่อนเป็นอย่างนั้นนะไม่บอกหรอกโอ้เราก็ต้องมาดูนะดูท่านบอกจะได้ของดีในพรรษาเนี้ยพรุ่งนี้วันเข้าพรรษาวันนี้วันอาสันหะวันเข้าพรรษานั่งรถตัวกับกรุงเทพนั้นนั่งดูมาเรืนะ่อยๆใจค่อยถอนออกถอนออกนะไอ้ที่ลงไปเคลิมอยู่ไม่เคลิ้มแล้ว แค่ครูบาอาจารย์บอกว่าอย่าไปสงสัยมันเลยนะก็เลิกเคลิมได้นะประหลาดไหมดูใจเราเนี่ยมันซับซ้อนขนาดนั้นมันไปเกิดภาวะเคลิมเคลิมขึ้นมาแล้วใจมันสงสัยนะมันก็นวเนี่ยพัวพันอยู่กับความเคริมตลอดเลยไม่ถอนเลยบอกครูบาอาจารย์สั่งบอกว่าอย่าไปสงสัยมันเลยช่างมันเถอะคราวนี้ไม่สนใจมันเนี่ยไม่สนใจมันนะจิตถอนออกมาถอยออกมาถอยออกมาอออกล า, ายเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาอีก ดูจากเชียงใหม่มาถึงกรุงเทพนะนั่งคุยคุยอยู่อย่างนี้หนละใจมันก็เข้าใจธรรมะมากขึ้นมากขึ้นจริงๆแล้วไม่ได้มีอะไรลึกลับซับซ้อนให้รู้ลูกเดียวนะรู้กายรู้ใจลงเป็นปัจจุบันลูกเดียวไปเลยตามรู้ไปเรื่อยๆเสร็จแล้วสบายใจนะสบายใจโอ้สบายแนละ้วปลอดภัย อยู่กับโลกได้อย่างมีความสุขนะอยู่กับโลกไปเรื่อยๆอยู่กับครอบครัวมีครอบครัวใจตอนภาวนาแรกๆนะนก็นึกนะแหมอยากบวชพอภาวนามาถึงตรงที่มันเริ่มสบายขึ้นมาล้มันเริ่มรู้สึกว่าบวชกับไม่บวชไม่เห็นต่างกันเลยไม่ต่างกันเป็นฆราวาสก็ทำได้นะมีมานะด้วยนะเวลาไปหาพระนี่ไม่กลัวพระเลยนะ เข้าวัดโน้นวัดนี้หาครูบาอาจารยนะ์พระกลัวเราซะอีกไม่ใช่ครูบาอาจารย์กลัวนะหมายถึงพวกพระลูกศิษย์เราก็โอ้สบายคารวะก็ทําได้เจอหลวงพ่อมนตรีลูกศิษย์ลยาาหลวงปู่ ด, ดูล่ลนก่อนหลวงพ่อเจอทีไรชวนบวชทุกที่เลยเป็นนิสัยท่านนะอย่าหลงกลนะใครเจอท่านท่านก็ชวนบวชหมดเลยนะ มีอยู่รายหนึ่งนะท่านไปเรียกขบวนนะบวชซีบวช ซ, วซีเขาเขาไปลาออกจากงานนะท่านบอกท่านตกใจมากเลยบฮะจะบวชจริงๆเหรอมาลาท่านบอกขยับขยับจะห้ามนะอย่าบวชเลยอย่าบวชเลยนะแต่พูดไม่ออกนะั่ออกจนจนเขาลานะท่านก็เดินตามเข้าไปที่รถท่านไปจับไอ้กระจกหูช้างฮนะจับกระจกข้างอนะ่ะจะขยับบอย่าบวชเลยไปหางานทําเถอะ ผมพูดไม่ออกนะงั้นไม่ใช่ท่านชวนแล้วชื่วง่ายๆนะงั้นท่านเจอใครท่านก็ชวนบวชหมดเลยท่านก็ชวนหลวงพ่อบวชเรื่อยๆชวนเจอที่ไรก็ชวนทุกเตี้ยนะมาช่วยกันมันช่วยกันศาสนาอ่อนแอลงเต็มทีแล้วให้มาช่วยกันหน่อยชวนหลายทีหลวงพ่อก็มีอุบายบ้าง แก้งถามท่านหลวงพี่สอนพระมาตั้งนานแล้วมีที่เข้าใจบ้างไหมก็พอมีบ้างเออก็ให้ท่านช่วยไปสิผมไม่เกี่ยว <c oughs> เลยถูกด่าเลยประมาทนะว่าประมาทเรถถาถูกท่านว่าประมาทนะไ่ชีเนี่ยเลยชวนบวเถอะท่านอุตส่าห์พูดถึงขนาดนี้แล้วท่านว่า ของดีอยู่ต่อหน้านะเห็นก็เห็นเอาก็เอาได้แล้วไม่เอาเขาเรียกว่าคนประมาทด่าอย่างนี้เลยคําว่าประมาทเนี่ยถ้าเราไปว่าคนทั่วๆไปเนี่นะไม่เห็นเดือดร้อนเลยใช่ไหมแต่คําว่าประมาทกับนักปฏิบัติเนี่นะโอ้โหมันเหยียดหยามกันสุดขีดแล้วนะ <c ười> คือหาดีไม่ได้เราชาติเนี้คําว่าประมาทคําเดียวเนี่ยเวลาพระเจ้านิพพานถึงบอกว่าไม่ประมาท ไม่ประมาทใครประมาทก็คือไม่เอาไหนเลยไม่ใช่ลูกใช้หลานพระพุทธเจ้าแล้วแต่ปรัดท่านนะบอกว่าเรายัางเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อยู่พ่อแม่ตายเราจะบวชกว่าจะได้บวชเลยแก่เลยอายุสี่บแดพอบวชแล้วโอ้เราก็ใกล้แก่แล้วนะตามตำราวยาศาสตร์เนี่ยพอถึงอายุห้าิบเนี่ยมันเริ่มเสื่อมแนละ้วความแข็งแกร่งของคนเนี่ยนะจะแข็งแกร่งไม่เกินอายุห้าสิบ โดยเฉพาะในด้านสติปัญญานะสติปัญญามันจะแข็งแกร่งที่สุดเลยช่วงอายุสามสิบห้าถึงห้าสิบพระเจ้าทานตรัสรู้สามสิบห้าช่วงที่แกร่งที่สุดเลยตอนนั้นเราเหลืออีกสองสามปีเองเหลืออีกสองปีเองนะอายทำไงล่ะเคยเจอครูบาอาจารย์องค์หนึ่งท่านเล่าว่าตอนท่านหนุ่มๆท่านภาวนามันไปเร็ว ท่านก็บอกเดี๋ยวออกไปสอนคนอื่นกั น, น, กนสอนสอนพออยู่มาจนแก่นะท่านชักตกใจท่านบอกเฮ้ยเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวไม่ทันไอ้เราก็อยู่มาจนแก่แล้วอายุสี่แปเนี่ยถึงได้ปวดปวดแล้วเลยต้องขยันหน่อยต้องเร่งความเพียรเนี่ยกลายเป็นเร่งความเพียรเดินเดินจงกรมเพระหลวงพ่อมนตรีชอบเดินเราก็เดินบ้างเนผะื่อจะดีอย่างท่านบ้างเดินเดน เดิสักเครียดไปหมดเลยนะโอ้ใจนี่หนักอึ้งเลยทำผิดแล้วทำผิดแล้วทางใครทางมันสิวะนี่นั่งนั่งดูมันไปเรื่อยๆนั่งดูจริงแล้วไม่ได้มีอะไรยากสักนิดเลยง่ายรู้ลงปัจจุบันนะรู้ไปเรื่อยๆถึงเวลาที่เขาอิ่มก็าพอเขาพอของเขาเองเหมือนเวลากินข้าวนะกินไปเถอะเวลาอิ่มแล้วมันรู้สึกเอง ใจนี้เหมือนกันใจเนี่้สะสมแต่ความเห็นผิดนับพบนับชาติไม่ถ้วนลืมตาขึ้นมาก็เห็นคนเห็นสัตว์ได้ยินเสียงก็เสียงคนเสียงสัตว์นั่งคิดก็คิดเรื่องคนเรื่องสัตว์เรื่องเราเรื่องเขาอะไรขึ้นมามันมีแต่สะสมความเห็นผิดตลอดเวลาพอเรามารู้กายมารู้ใจรู้สภาวะลงเฉพาะหน้าไปมีสติขึ้นมาก็รู้กายรู้ใจจะเห็นทันทีเลยไม่มีตัวเราในกายในใจนะ กายไม่ใช่เราเวทนาไม่ใช่เราสัญญาไม่ใช่เราสังขารที่เป็นกุศลอกุศลไม่ใช่เราโลบกรธลงอะไรพวกนี้ไม่ใช่เราจิตที่ไปรู้ก็ไม่ใช่เรานะจิตเกิดที่ตาก็ดับที่ตาเกิดที่หูดับที่หูเกิดที่ใจก็ดับที่ใจเนี่ยดูลงไปอย่างนี้เรื่อยๆจนกระทั่งใจมันพ้นความเห็นผิดว่ามีสัตว์มีคนมีสัตว์บุคคลตัว ต, วตนเราเขาอย่างเรานั่งอยู่เนะี่ยเรารู้สึกตัวขึ้นมานะ จะไม่รู้สึกว่ามีเรามันจะเห็น ต, ตัวอะไรมันนั่งอยู่เห็นรูปประธรรมอันหนึ่งมันมันตั้งอยู่ในอิริยาบถ ท, ที่สมมุติเรียกว่านั่งหรือเวลาเดินเราก็เห็นตัวอะไรตัวหนึ่งมันเดินไปมันจะไม่รู้สึกว่าเป็นคนเดินเป็นเราเดินเถ้าสติมันเกิดนะ้ําจะรู้สึกความโกรธเกิดขึ้นมันเห็นเลยความโกรธก็เป็นสภาวธรรมเป็นนามธรรมอันหนึง่งผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเหมือนคนเดินผ่านหน้าบ้านเท่านั้นไม่ใช่เราอีกแล้ว ความโลภความหลงอะไรก็ล้วนแต่ผ่านมาผ่านไปความสุขความทุกข์ก็มีแต่ผ่านมาผ่านไปดูอยู่อย่างเนี้ยซ้าแล้วซ้าอีกซ้าแล้วซ้ําอีกนะเวลาสะสมความหลงผิดสะสมมาหลายพบหลายชาติไม่บ่นนะพอจะสะสมความเห็นถูกมีสติขึ้นมานิดนิดหน่อยห่อขี้เกียจขี้คลานแลหรือพอรู้สึกตัวนิดนิดหน่อยหรู้กายรู้ใจนิดนิดหน่อยหน่เริ่มถามหามรรคผลนิพพานแล้วมันก็ต้องดูมากมหน่อยเพราะว่าสะสมความเห็นผิดไว้นาน ถ้ารู้สึกตัวรู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจไปกายไม่ใช่เราใจไม่ใช่เราดูไปมันไม่ต้องคิดนะมันจะเป็นความรู้สึกไม่ใช่คิดว่ากายไม่ใช่เราใจไม่ใช่เรามันเป็นความรู้สึกไอ้ตัวที่นั่งอยู่นี้ตัวที่ยืนที่เดินที่นอนนะตัวที่ขยับปากพูดไปมาตัวที่กลืนน้ำลายตัวที่หายใจเข้าตัวที่หายใจออกอนะไรเป็นแค่วัตถุเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุเป็นรูปธรรมอันหนึ่ง เส้นไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลานะมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกอยู่ตลอดเวลารู้สึกลงไปนะถึงจุดหนึ่งมันจะรู้เลยกายนี้มันไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุยืมสมบัติของโลกมาใช้จุดตั้งต้นก็ยืมพ่อยืมแม่มานะยืมมานิดๆิดหน่อยๆนที่เหลือตัวโตขึ้นมานี้ก็เอาวัตถุของโลกมาเจื อ, อจานมันตัวใหญ่ขึ้นมา วันหนึ่งก็คืนเจ้าของไปแตกสลายไปไม่มีตัวเราจริงๆในร่างกายนี้ในเวทนาในความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์นะมีสติขึ้นมาตามรู้มันไปเราเห็นเลยความสุขมันก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวนะความเฉยๆก็ชั่วคราวเวทนาทั้งหลายล้วนแต่ของชั่วคราวทั้งนั้นเลยความสุขก็ไม่ใช่ตัวเราแต่เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเป็นนมามธรรมที่จิตไปรู้เข้า ความทุกข์ก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นนามาทำที่จิตไปรู้เข้าหลจากนั้นก็มาดูจิตใจที่เป็นกุศลอกุศลจิตที่เป็นกุศลนะตัวกุศลเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเหมือนคนเดินผ่านหน้าบ้านสมัยก่อนมีแม่ค้าหาปเปรีเยอะหรือนี้ไม่รู้มีไหมนะแต่ก่อนขายแม่ค้าหาบดอกไม้ยังมีเลยขายดอกไม้กรรมดอกไม้อะไรเงี้ย เวลาความสุขผ่านมาหรือกุศลผ่านมานะเหมือนคนหาบของสวยงามผ่านหน้าบ้านมาเวลากุศลหรือความทุกข์ผ่านมาเหมือนคนแบกขยะผ่านหน้าบ้านเหมือนรถขยะผ่านมาผ่านมาแล้วผ่านไปเห็นทั้งหมดเลยไม่เกี่ยวอะไรกับเราต้องเห็นอย่างนี้นะรู้สึกมีความรู้สึกทุกอย่างชั่วคราวมาแล้วไปมาแล้วไปนั่งดูไปอย่างเงี้ยใจก็จะค่อยๆเข้าสู่ความเป็นกลางไม่ค่อยดิ้น แต่เดิมความสุขมานะใจก็ดิ้นรนชอบใจหรือกุศลมาเนะี่ยใจก็ดิ้นรนชอบใจอยากให้อยู่นานๆชอบดิ้นพอ ป, ปัญญามันเกิดนะความสุขหรือกุศลอะไรก็อยู่ชั่วคราวต่อไปพอมันมานะก็ไม่ดิ้นอนะ่ะไม่รู้จะรักษาอย่างไงมันรักษาไม่ได้เนีย่ยสติรู้สึกแม้สติเป็นธรรมะที่วิเศษตัวหนึง่งรู้สึกตัวขึ้นมาอยู่ได้แวบเดียวก็หลงไปแล้วรักษาไม่ได้มันเห็นซ้ําๆน้ารู้เลยรักษาไว้ไม่ได้ จะสุขจะทุกข์จะดีจะชั่วนะรักษาไว้ไม่ได้ห้ามก็ไม่ได้นะรักษาไว้ก็ไม่ได้ทำอะไรกับมันไม่ได้สักอย่างนี่พอเห็นซ้าๆนะความสุขมาใจก็เป็นกลางความทุกข์มาใจก็เป็นกลางกุศลอกุศลมาใจก็เป็นกลางไม่รักอันนึงเกลียดอันหนึ่งใจเป็นกลางกับทุกสิ่งทุกอย่างเสมอภาคกันหมดเลยไม่ใช่รักอย่างหนึ่งเกลียดอีกอย่างหนึ่ง ใจของเรานะีจะไม่รักอันนึงก็เกลียดอันหนึ่งตลอดเวลาแต่ถ้าเราเห็นว่าทุกอย่างมันชั่วคราวนะอย่างเราโกรธคนคนหนึ่งใจมันรู้เลยนี่ก็ชั่วคราวความโกรธก็ชั่วคร้าวไอ้คนที่ทะเลาะกับเรานี้ก็ชั่วคล้าวนะไหนมันก็หายไปตัวเราเองที่ไปทะเลาะ ก, กับเขาก็ชั่วคราวเห็นเห็นนะโอ้ใจเข้าสู่กับความเป็นกลางหมดความดิ้นรนเพราะมีปัญญารู้ว่าทุกอย่างในชีวิตเรานี่ชั่วคราวหมดเลย พอใจไม่ดิ้นเนี่ยนะใจจะเข้าใกล้มรรคผลนิพพานล้วพไม่ดิ้นรนไม่ปรุงแต่งใจพ้นความอยากหรือพ้นตัณหาเนี่ยหมดความอยากพ้นความดิ้นรนไม่ปรุงแต่งใจก็จะได้เห็นธรรมะชนิดหนึง่งซึ่งไม่มีความหิวโหวยไม่มีความปรุงแต่งเป็นธรรมที่เป็นวิสังขารไม่ปรุงแต่งเป็นธรรมที่เป็นวิราคะไม่มีความหิวโหวย เป็นธรรมที่เต็มอิ่มอยู่ในตัวเองธรรมอันนี้ไม่เคยหายไปไหนเลยแม้ขณะที่เรากําลังหลงอยู่แต่เราไม่เคยเห็นเราจะเห็นธรรมอันนี้ได้ครั้งแรกตอนที่เป็นพระโสดาบันแต่เห็นอยู่สองสแว บ, บเท่านั้นเองเห็นแวบบแวบบ็แบวบสองสมทีเองแล้วก็หายไปหาไม่เจอหรอกไปเห็นอีกทีหนึ่งตอนเป็นพระสะกิทาคา ได้ภาสนาคาเนี่ยเวลานึกถึงมันนะเห็นบ่อยหน่อยพอนึกถึงยังพอเห็นได้บ้างแต่ถ้าภาวนาจนเสร็จธุระนะแค่มานัสิการถึงก็ถึงอยู่ต่อหน้าต่อตาเนี่ยธรรมนี้มีแต่ความสงบสันติพอเราเข้าถึงธรรมันนี้เราจะรู้เลยว่าที่ฝากเป็นฝากตายของเราอยู่ตรงนี้เอง ภูร่ในการที่เราร่อนเร่เดินทางไกลในสังสารวัฏนี่หมดแล้วการเดินทางเนี้ถึงที่สิ้นสุดแล้วถึงที่ปลอดภัยถึง ท, ที่ที่มีความสุขเต็มอิ่มแล้วใจยังไม่ดิ้นไปหาอะไรต่อไปอีกจะอิ่มอยู่อย่างนั้นทั้งวันทั้งคืนจะมีแต่ความสุขเงื่อนงา น, งานทางธรร ม, มนะน่ะมีที่สิ้นสุดนะงานทางโลกไม่มีวันสินะ้นสุด ธรรมะอันนี้ไม่เก่าไม่ใช่ของเก่าไม่ใช่ของใหม่นะของที่เต็มบริบูรณ์ไม่เคยบกคร่องดังพร้อยอะไรใจที่หมดความหิวโหยหมดความอยากก็จะไปเห็นมันที่ประหลาดก็คือถ้าเมื่อไรปล่อยวางจิตได้ถึงจะเห็นมันเห็นมันเต็มบริบูรณ์ได้ประหลาดมากเลย เพราะทันทีที่มันไปหยิบช่วยรูปนามขึ้นมานะธรรมนี้ก็หายไปที่จริงไม่หายแต่ว่าไม่เห็นมัวแต่ไปเห็นรูปนามคนส่วนใหญ่รูปนามก็ไม่เห็นเห็นแต่สมมุติบัญญัติคือเรื่องราวที่คิดนั้นมันเป็นชั้นๆ น, นะเมื่อไรเราหลงไปอยู่ในโลกของความคิดเรารู้ ร, รู้แต่เรื่องที่คิดเราก็ไม่เห็นรูปนามทั้งๆ ท, ที่รูปนามก็มีอยู่แต่เราก็ไม่เห็นนี่ถ้าเรา มาปฏิบัติเรายังรู้รูปรู้นามอยู่นะยังไม่ได้วางรูปวางนามเราก็ไม่เห็นนิพพานเพราะรูปนามเองก็ไปบังนิพพานไว้แต่ว่าต้องอาศัยการรู้รูปนามรู้กายรู้ใจนี่แหละจนเขารู้จริงเขาวางความยึดกายยึดใจได้แล้วจะเห็นนิพพานไม่มีทางที่สองนะหลายคนจะขี้โกงรู้ว่านิพพานเป็นสุญญตาเป็นความว่าง มันไม่ได้สุญญตาแบบว่างเปล่านะสุญญตาที่เต็มไปด้วยสันติสุขสุญญตาแบบว่างเปล่าใช้ไม่ได้หรอกของปลอมว่างเปล่าไม่ใช่ของจริงนะว่างแบบไม่มีอะไรไม่ใช่ของจริงมันมีความไม่มีทุกมีความไม่มีขันมีสันติสุขนีหลายคนรู้ว่ามันว่างก็ไปจ้องใส่ความว่าง ภาวนาขึ้นมาก็น้อมใจให้มันว่างๆไม่ให้มันคิดมันนึกมันปรุงมันแต่งน้อมให้ว่างนะพอว่างได้ที่ก็บอกว่าเป็นพระอราหันตะ์หลายคนเลยนะมาเรียนที่หลวงพ่อเนี่ยเคยเป็นพระอราหันต์ทั้งหมู่บ้านเลยไม่ใช่ในบ้านเดียวนะทั้งหมู่บ้านเลยพระอราหันต์มีหมู่บ้านพระอราหันต์วันหนึ่งมาฟังหลวงพ่อแล้วก็เริ่มกลับไปสังเกตนะเริ่มเอะใจเอ ดีชั้นก็เป็นพระลรหันนะแต่ดีชั้นตีกับสามีเรื่อยๆนะสงสัยมันจะหันจริงไม่จริงแล้วนะจะหันซ้ายหันขวาแล้วงั้นไม่ใช่อยู่ๆก็น้อมใจไปดูความว่างให้มารู้กายให้มารู้ใจนะี่ถ้าเมื่อไรปล่อยวางกายวางใจได้ก็ถึงจะเห็นความว่างเห็นสุญญตานะั้นถ้าอยู่ๆก็น้อมใจให้ว่างมันจะไปเข้าอารูปฌาน จะไปเพียงช่องว่างเรื่องอากาศสานัญจายตนะเพ่งลงไปแล้วบางคนก็ไปจับเอาความรู้สึกขึ้นในในความว่างเรื่องวิญญาณัญจายตนะเพื่อความรู้สึกออกไปเป็นความไม่มีอะไรเรื่องอากินจัญญายตนะนี่เป็นเรื่องของฌานทั้งหมดเลยพระเจ้าเลยไม่ได้สอนให้เราจับความว่างแต่ท่านให้รู้กายให้รู้ใจกายานุปัสสนารู้กายเวทนานุปัสสนารู้เวทนาจิตตานุปัสสนารู้จิตธรรมานุปัสสนารู้รูป ร, รู้นามรู้ธรรม ไม่มีสุญญตาในศัสนาอย่าเพียนนะอย่าทิ้งกายทิ้งใจอักหยุดพักก่อนเชิญไปทานข้าว